ท ำ, ท, ำทำอย่างที่ทำทายังไงแล้วต้องรู้สึกได้บ่อยไหมเร า, าดูจิตได้ต่อนนึ่งไหมอยู่ได้เรื่อยๆไหม นะั่นดูเรื่อยๆก็จะได้ดูไปเรื่อยๆ <c oughs> ส่วนมนุษยว้ครัสทำมนะั่งไหยเป็นโร่งกลรทำาั่งก็กลับดี่าียดีแล้วมันนี่แหละข <c oughs> ยันหรือขีอ้เกียจเอนเออขยันดีแล้วออันนี้ท <c oughs> <c oughs> ำอย่างที่ทำ ทำยังไงเวลารีรตัตกวกมแแล้วตัวรู้สึกเด็บ่อยไหมแล้วดูจิตได้ต่อเนึ่องไหมูได้เรื่อยๆไหมเารู้สึกว่ามันจะตึนั่นอยู่เรื่อยๆก็ใช้ได้ดูไ ป, ไไปเรื่อๆย <c oughs> ๆ <c oughs> ส่วนมนุษย์ว่ายพระทำบ้างไหมเป็นรงกลมๆทำบ้างราหรือเปล่า ก, ก็ดีแล้วมันนี่แหละ <c oughs> ขยันหรื้อทิพย์ขยันเอ อ, เ อ, อขยันดีละหลบข้างหลังเริ่มหลบแล้ว ตินนี่ใส่รักเรียนหลบหลังเพื่อนก่อนที่แหม่มเป็นไงบ้างมัหน้าชิ้น ดีแค่ไหนความเคลื่อนนะเราไม่ได้ว่าความเคีย่นคืออะไรหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามีสติคือมีความเคีย่อนขาสติคือขาดความเคีย่เพราะฉะนั้นอย่างเราไปเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเดินแบบไม่มีสติก็คือไม่ได้ทําความเพีย่อน คว่มเพียรเกิดจากการทำสติบ่อยๆเพราะฉะนั้นในเวลาถ้าเราฝึกจิตใจของเราถึงช่วงหนึ่งเราจะพบว่ามันเกิดสภาวะสองอย่างเท่านั้นเองสภาวะที่ขณะนี้รู้ตัวหรือว่าขณะนี้เผลอไปแล้วนะพอเผลอไปนี้ก็จะไปตงแต่งอะไรเยอะแยนะเช่นเผลอไปเรื่องโลกโลกชิดเรื่องโลกโลกไปเลยเผลอไปจริงๆนะเผลอไปนั่งชิดชิดนะรู้เรื่องที่ชิดแต่ไม่รู้ตัวเองก็เผลอเหมือนกัน หรือไปนั่งเพ่นไปจับอารมณ์ขึ้นมาอันหนึ่งเราก็เพ่งนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียว ก, ก็ยังเผลอยังหลงอยู่อีกนะหรือน้อมใจเข้าหาความสงบน้อมไปเรื่อยน้อมเต็มซึมซึมเคริ้มเคลิ้มคลืนหลับคลื่นตื่นเป็นใจเขาเด็กคิดว่าดีไม่ดีหรอกนี่ครสติงั้นกันที่น้อมใจปรุงแต่งใจเป็นนิทานได้หลายรูปแบบเนี่ยโยโยโกล้าหาร อ <c oughs> แต่มาทําก็ไม่มีอะไรมากนะทําอย่างที่ที่แม่มทํานี่แหละก็จะตื่นนอนตื่นขึ้นมาแต่ละวันความรู้สึกไม่เท่ากันแต่ละวันรู้สึกไปเลยรู้สึกยังไงมีความสุขมีความทุกข์ที่เกียดเช้าวันจันติดใจแห้งแรงเช้าวันสุกมันสดชื่นกว่าใครใครก็รู้สึกได้ นาทีก็คอยรู้สึกพูดจีๆก็เรื่องเดียวหมอภัยบอกมอภัยไปย้อนดูในเน็ตที่หลวงพ่อเขียนไหม<อ>เขียนเมื่อเมื่อหลายปีก่อนก็เหมือนกันเนี้ยแล้วก็มาฝัางซ้ำๆได้ดรืยๆแต่ฟังแล้วความเข้าใจไม่เหมือนกันเออใช่ใช่ อย่างเวลาในคำภีจะมีเขียนบอกว่าเวลาคนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมอย่างคนไปฟังทีหนึ่งหลายร้อยคนแต่ละคนก็มีการประพฤติปฏิบัติมีภูมิจิตภูมิธรรมแตกต่างกันแต่ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพราะพุทธเจ้าเทศให้เฉพาะเจาะจงให้ตัวเองฟังเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ย่งเดียวกันเนี่ยความเข้าใ จ, จากต็ต่างกัน <c oughs> ไงบ้างเมียของเป็นไงบ้างมไม่มาไม่เป็นไรตื่นหรือยัง อ, อย่าพยายามนะรู้ไปเลยขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจขยันรู้ว่าขยันสุกรู้ว่าสุขทุกรู้ว่าทุกรู้ไปตรงตรงยิ่งรู้ซื่อยิ่งง่ายยิ่งพยายามจะรู้ยิ่งยากใหญ่ความพยายามของเราเนะ่ะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความพยายามปฏิบัติของหลายแหละ ก็คือโลภะความโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ได้ธรรมะอยากให้จิตของเราดีพอ ม, มีความอยากเริ่มต้นแล้วเราก็เริ่มคิดแล้วว่าะทํายังไงมันน่าจะดีเช่นนั่งเก่งแล้วดีสวดมนต์แล้วดีทํานั้นนั้นดีอันนี้ดีคิดใหญ่นั่นคือความเห็นนะเรามีตัณหาแต่มีคิดเหลอกให้ปฏิบัติความอยากกับความเห็นไนมะ่หลอกเราหน้าที่รู้ทันใจของเราใจเราเกิดความอยากจะปฏิบัติ ยังไม่ทันต้องปฏิบัติอะไรเลยพออยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัตินี่ปฏิบัติเสร็จแล้วง่ายขนาดนี้มั้งโย่แมวมีแหล่ยชื่อนะเมื <c oughs> ่อก่อนอาตมาก็ทำอย่างพวกเราทำนั่นแหละนะหยานสยนันทำทุกวันทุกวัน <c oughs> มีวันหนึ่งเป็นเดินอยู่ในวัดปา เห็นตก้ายี่หน้านั่นๆเนี่ยอยู่หินตากน้ำไหนต้นไม้ร่มรื่ชิดอยากจะนั่งภาวนาตรงนี้นั่งๆชิดอยากจะนั่งนะมีท่าังนึงตะโกนด่าข้ามตากน้ําอกว่็ใหญ่นะปราโมทยากปฏิบัติเขาผิดแล้วไม่อยากปฏิบัติเขาผิดแล้วนะไม่ต้องพูดถึงว่าตอนที่ไปลุยปฏิบัติตามความอยากมันจะผิดแล้วอย่างี้มันจะถูก เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยแมวรู้สึกกลัวไปเลยนะ จ, จิตใจกําลังอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติรู้ไปนะเห็นความอยากมันเกิดแล้วมันกั้ดันะสสบเสร็จแล้วเสือสงสัยเราจะปฏิบัติยังไงดีนะรู้ว่าสงสัยนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วการปฏิบัติที่ลัะขณะทีลักษณะอารมณ์ไรแตกพร้อมเข้ามาส่งภูมิรู้ของจิตมนะีสติแล้วรูรนะ้รู้อย่างเป็นกลางรู้ด้วยใจตั้งมั่น ไม่เข้าไปแทรกแ่งมันเนี่ยสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นรู้ไปทีละขณะก็จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับเกิดดับอยากปฏิบัติเกิดแล้วก็ดับสงสัยว่าจะปฏิบัติยังไงดีเกิดแล้วก็ดับหรือบางทีได้สงสัยคิดว่าต้องเพ่งหน่อเพ่งเพงเพ่งเพ่งรู้ว่าเพ่งปฏิบัติผิดแล้วตอนเพ่งนี่หลงอยู่รู้ว่าเพ่งนี่ปฏิบัติแล้ว หลักของการรู้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เบื้องต้นจนเรื่องปลายในทางปรินสนามเล่าว่าผิดมันแสดงธรรมะได้จิตถ่ายทอดธรรมะจิตถ่ายทอดธรรมะเราเขมีหน้าที่รู้แล้วก็โยนทิง้งไปเลแล้วจิตถ่ายทอดอธรรมก็รู้อีกถ่ายทอดได้ทั้งหมดทั้งธรรมะทั้งอรธรรมของสีมันเทศให้ฟังได้ด้วยแล้วก็ตืมนเต้นรู้ว่าตื่นเต้น ชอบใจรู้ว่าชอบใจภูมิใจรู้ว่าภูมิใจแปลกใจหรือว่าแปลกใจในการปฏิบัติในในไข่หน้าทำอะไรอยู่ปฏิบัติดูใช่ไหมหลงอยู่เนอะหลงปฏิบัติทําไมรู้ไหมว่าทํางำ ดวงใจที่เดดก็ถูุกนะดูออกไหมดวงใจปรปฏิบัิทุกแน่นขึ้นมาละอืนอัดขึ้นมานะนามานะนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เป็นอย่างนั้นนะในคำคีมีนะในอัตากษถาสติปัฏฐานสูตรบอกว่าสติอันกำหนดรู้อารมณ์รูปนามเนะีนะ่ยเป็นทุกข์เป็นทุกขรัจจักดัญตัณหาความอยากที่ทำให้เอาสติไปกำหนดรู้อารมณ์นะคือสมุทย เพราะฉะนั้นพอโยอยากปฏิบัติเนี่ยอยากปฏิบัติก็เริ่มปฏิบัติทําอย่างนั้นอย่างนี้เอาสติกำหนดตรงไปดูไอ้นี่จ้องไอ้นี้ไว้จ้องแหววมันคงจะรู้ทําทั้งวันมีมันเป็นการไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาสร้างทุกขึ้นมาถ้าเมื่อไร่โยรู้ว่าเอาสติจี้ลงไปดูอะไรส<ม>ักอย่างนะแล้วความทุกข์เกิดใช้ได้แล้วปฏิบัติแล้วดูเข้ามาให้เห็นทุกข์ไม่ใช่ดูลมหายใจหายใจไปด้วย หรือนั่งขยับนิ้วไปเดินขยับไปนะั้นตัวก็หนักหนั ก, น ก, นกเครียดเคียดไปเรืเรเรเอ่อยๆแล้วทนทนเอาแต่จะล่วงทุบด้วยความเพียรเนาะทนทนเอามันหลงแหละหลงผิดทําไมเราต้องไปเริ่มอย่างนั้นอะไรตักดันเราอยากให้จิตของเรานี้มันดีอยากจะดีอยากได้ธรรมะพอมันอยากได้ธรรมะแทนที่เราจะรู้ว่ากําลังอ ย, อยากอยู่นะเราก็ลงมือลุยเลยฮะนี้ทํ า, งงท อ, ยางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้เดินโยงกยมนั่งสมาธิกําหนดอย่างนั้นจุดนี้ ไม่เราทำได้ยากอยากให้ติดของเราดีฝึกไปเรื่อยแล้วได้อะไรได้เป็นคนดีนะได้ไปสวรรค์ได้ไปพุรุมาโลกนิพพานไม่ได้ยังทำอยู่เห็นแมวจะสงสัยมากเลยว่าปฏิบัติมาปีไรนะทำไมหลวงพี่บอกไม่ถูกสักทีเลยมันไม่ถูกตรงที่ทำขึ้นมา ถ้ารู้เอาเฉยๆรู้ไปเรื่อยๆนะหลักการจเจริญสติจริงๆนิดเดียวเองแค่จะมีสติเราได้รู้สภาพธรรมะธรรมะร่างกายกับใจเอาเนี่ยรู้ไปว่าจริงๆขนาด น, นี้มันเป็นยังไงไม่ใช่เป็นดัดแปลงมันแตงเกิดให้เราคิดถึงการปฏิบัติเราจะดัแดแปลงติตใจตัวเองเริ่มต้นเลยพอเริ่มปฏิบัติแม่แต่เกิดไม่เริ่มทำใจให้นิ่งๆก่อนเอาลองเริ่มปฏิบัติจุเราตอนนี้เลยลองดูนะ ดูออกไหมว่ามีการปรับจิตใจแล้วปรับให้มันนิ่งเข้ามาแลนะเรียกตรงนี้ที่เราพลาดนะักปฏิบัติร้อยละร้อยชอบปฏิบัติแบบนี้เหมโดยคิดว่าทําไมต้องทําอย่างนี้รู้ไหมไม่รู้เหมือนกันมันทำโดยอัตโนมัติใช่ไหมพอคิดถึงการปฏิบัติมันปรับปุ๊บเข้ามาแล้วก็นิ่งๆอยู่วิญแล้วนั่งดูอจะดูความเกิดดับอะไรเงี้ยมันหลงไปแล้ว ต, วนะตั้งแต่แรกนะงั้นสะังเกตความจิตเริ่มเนี่ยมันหลอกเราตั้งแต่แรกเลยนะ ถ้าจะทําอย่างของเราทําเนี่ยการปฏิบัติกับการไม่ปฏิบัติเนี่ยมีความต่างกันในชีวิตของเราพอถึงเวลาปฏิบัติก็ทําใจให้นิ่งๆแข็งๆคือๆไว้หน่อยเวลาไม่ปฏิบัติก็ปล่อยให้มันวิ่งไปเลยหลงไปเลยมีการปฏิบัติกับมีการไม่ปฏิบัติส่วนการเจริญสตินะั้นไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่มีตอนนี้จะเจริญสติตอนนี้จะไม่เจริญสติมีแต่ว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นถ้ารู้ก็คือปฏิบัติแล้วเจริญสติแล้วขณะจิตนี้เผลอไปขณะจิตนี้ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ใช่ว้ชั่วโมงนี้ปฏิบัติชั่วโมงหน้าเลิกแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกขณะได้มีสติขณะนั้นมีการปฏิบัติมีความเพียรขณะได้ขาดสติขณะนั้นขาดความเพียรของเราพอเริ่มคิดถึงการปฏิบัตินี่เราขาดสติแล้วเรารู้ไม่ทันการปรับจิตตัวเองให้มันนิ่งๆิ่งชื้อชื้อลองทำครั้งหิึนะลองทำพ อ, อเริ่มปฏิบัติใหม่อยู่ที่ว่าทํำไหมโดยใจสัง มันไม่ทำํำมันไม่ยอมปฏิบัตินะที่จริงเราไม่ได้ทําอะไรแต่เรารู้มีหน้าที่เดียวคือรู้ทันเหมือนะจิตของเราแอบไปทําอะไรเรารู้ทันไม่ใช่เราไปทําแทนจิตซะเองแต่จนระิงไม่เวลาเราเริ่มลงมือปฏิบัติเราไปทํางานแทนจิดแนะแทนที่เราจะรู้ว่าจิตไปทําอะไรนะเราทำตัวเองบังคับใจให้นิ่งๆก่อน คือๆไว้ก่อนนะซึ่งไม่รู้ทําไมจะต้องทําอย่างนั้นทุกคนทําเดี๋ยวจะเฉลยว่าเพราะอะไร <c oughs> พอลงมือปฏิบัติจริงๆไยม ม, มันทำจริงๆ <c oughs> แมวดูตรงนี้ออกแล้วใช่ไหมมันมีการกระทําการกระทำอันนั้นสมนะัติฐานทาไมพวกเราพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊จะต้องทําสมัติฐเพราะเราคุ้นเคยกับการทําสมัติฐตลอดเวลาในสังสารวัตรยาวนานนับไม่ถ้วนนี้นานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์นึ่ นะเวลาสีอสงไขยแสนมหากับที่พระพุทธโคดมเหล่านี้บางเป็นบารมนะีมีพระพุทธเจ้าทั้งหมดทีสิบสี่องค์เอานะแค่นเป็นองค์ที่ยี่สิบสี่ในเวลาสีอสงไขยแสนมหากับนะี้เพราะฉะนั้นบางครั้งตั้งแสนแสนกับไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะพวกเราทําอะไรกันในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราทําสมาธิกันเราทําทานเราถือศีลเรานั่งสมาธิกันเนี่ยนั่งคุมใจตัวเองปลั่กใจตัวเองให้มันนิ่ง เพราะฉะนั้นถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาสอนบอกให้เราจเจริญสติเอ้าเราฟังแล้วเราตัดทารเริ่มใสประกาศตัวเป็นชาวพุทธเราจะเจริญสติละพอเริ่มลงมือเราก็ทำกรรมวิธีมัไม่ได้จเจริญสติหรอกพอลงมือนะั้นเราก็องัดแปลงใจตี่เองให้มันทื่อๆไปก่อนเพราะมันเคยชินทำอย่างนั้นงั้นต้องเรียนทําความเข้าใจก่อนนะว่าการจเจริญสติไม่ได้ทําใจให้ทื่อๆไม่ได้ทําให้มันแข็งๆ การเจริญสติคือการที่เรารู้เท่าทันเราทำตัวเป็นเพียงนักสังเกตการสังเกตการลงไปที่กายที่ใจของเรานี้ยความทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงความไม่ทุกข์มันเกิดได้ยังไงเข้ารู้ลงไปเรื่อยเื่เราก็จะเห็นเลยว่าใจของเราไม่อยู่นิ่งกายเราก็ไม่อยู่นิ่งอย่างกายเราเนี้ยมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาอยู่นิ่งไม่ได้กายเราต้องขยับไปเยื่นไปเรื่อยๆอยู่นิ่งนิ่งเป็นทุกข์ส่วนจิตก็อยู่นิ่งไม่ได้มีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เปลี่ยนเข้ามาเรื่อยๆ กายหยุดนิ่งแล้วกายทุกขนะแต่จิตถ้าจิ ต, จตหยุดนิ่งแล้วจิตมีความสุขกับข้างกันใจกันจิตเพราะงั้นเราก็เลยอยากให้จิตมนสุขก็พยายามทําจิตให้นิ่งๆกัๆนเคยชินอนะ่ะถ้าเราเฝ้ารู้ไปเนี่ยมันไม่นิ่งหรอกเดี๋ยวอารมณ์ดีก็เกิดเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเกิดเดี๋ยวกุศลเกิดเดี๋ยวอันกุศลเกิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์จะเห็นว่าขโมยไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะเข้าใจความจริงของธรรมชาติธาตุสี่เขาก็หมุนเวียนไปเห็นร่างกายเนี่ยหมุนเข้าหมุนออก มนโนธาตุเจ้าธาตุอันหนึ่งคือธาตรู้เขาก็ทํางานของเขาไปไม่ใช่ตัวเรามีหน้านะที่คอยเรียนรู้เข้าไปถ้าเราเริ่มต้นว่าจิตเป็นตัวเร า, าธารู้มนโนาธาตุเป็นตัวเรานะแล้วก็พยายามจะทําให้เขามีความสุขพยายามจะทําให้เขาดีเพราะงั้นการปฏิบัติของเราทั้งหลายแหล่นี่ยเราทําพราะความหวงแหนรักใคร่ผูกพันในมนโนาธาตุที่เราไปยึดว่าเป็นจิตของเรานี อยากให้เขาดีอยากให้เขามีความสุขเพราะนั้นแมวดูแค่ว่ารู้ตัวหรือว่าเผลอถ้าเผลอแล้วนี่ไปได้เยอะแยนะเลยเผลอแล้วก็ไปในภพภูมิทั้งหลายได้หมดนะถ้ารู้ตัวนี่ใช้สุลปุตตะลักภูมิ รู้ทันรู้ทันนะแค่รู้ทันมันตั้งใจรู้ว่าตั้งใจนะคืออย่าไปคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องเริ่มต้นหลังจากที่เราขยับจิตใจของเราให้ได้ที่ซะก่อนะอยากปฏิบัติ ร, รู้ตรงๆลงไปเลยตรงนี้มันเป็นอย่างไงอย่านงะตอนนี้มันตั้งใจฟังตั้งใจฟังรู้ว่าตั้งใจนะแต่ว่าฟังธรรมะอย่างนี้ไม่ว่าฟังแบบปริยัพนะต้องตั้งใจฟังไม่อย่างนั้นฟังไม่รู้เรื่องตั้งใจก็ถูกแล้วล่ะ เวลาเจริญสตินะ่ะจิตใจเกิดตั้งใจรู้ว่าตั้งใจจิตใจเกิดโลภโลกรธหลงรู้ทันไปเรื่อยๆในวันนี้มีผู้หญิงมาหลายคนหนูพ่อจะสอนวิชาหมอดูให้ใช่ไหม <c oughs> แล้วผู้หญิงชอบดูหมอเ <c oughs> ใช่ไหมผู้ชายก็ดูนะไม่ใช่ผู้หญิงดูิอย่า ง, างวาพวกทหารเมกกื่อก่อนจะปฏิบัติเขาไปดูหมอเลยอยากเห็นไหมฝ่าเลือด อันนี้เป็นวิชามหมอดู ท, ทเ้าถ่ายทอดไวเป็นการถายว่าถ้าเราตายไปเนี่ยเรามีโอกาสมีพ็อันะที่จะไปเกิดที่ไหนมากที่สุดเคยเรียนเนี่ยทีเนี้ <c oughs> ใครเคยเรียนแล้วมาบ่อยๆไปเคยเรียนหน้ะหัดติ๊ก ๆ, ๆนะแมวยังไม่เคยเรียนใช่ไหมเอออย่างนั้นนะลย คือเราต้องรู้กันว่าเราไปเกิดเนี่ยเพราะอะไรนะที่เกิดเนี่ยมันมีภพภูมิต่างๆนะถ้าเราไปนั่งเท่งเท่งเอานะเราเป็นโสมเดีนะ๋ยวถ้าเราจิตใจเราน้อมไปทางบุญกุศลเดีย๋ยขนาด น, นี้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยก็ไปสุขกินะมนุษย์กับเท ว, ว ด, ดารวมๆไปก็ได้ไม่ต้องไปแยกมากมือนยุกนะถ้าใจเรามีความโลภเราเป็นเปรตใจเรามีความหลงเราเป็ น, นสัตว์ในรร่ฉานถ้าใจเรามีความทุกขนะ์นะเรตกอยร่ถ้าใจเราแบบโอหันตบังอาจซือตัว ชั้แน่ชั้นหนึ่งมีความหลงผิดมากถ้าเป็นพวกอสุรกายอย่างพวกอสุรกายนะเช่นคนที่ไปโจมตีคนที่เขาดีๆแต่เข้าข้างคนที่ไม่ดีองคอยเห็นจิตํานองฟังธรรมอะไรจะเป็นอสุรกายนี่คือที่เกิดทั้งหลายแล้วมันเกิดเพราะว่ า, วาจิตใจเราไป ก, กําหนดเรานี่ กรรมที่ทําให้เราไปกําหนดเนี่ยมันมีหลายตัวกรรมที่ไปกําหนดไว่าจะเกิดที่ไหนตัวที่หนึ่งเรียกว่าอานันตริยกรรมหรือคารุกรรมกรรมแรงๆนะอย่างใครฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยไม่ต้องทายไม่ต้องใช้วิชาหมอดูนี่ก็รู้แล้วนะหรือใครมันรู้มากผลเนี่ยไม่ต้องใช้วิชานี่ก็รู้แล้วว่าจะไปเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นเราตัดครุกรรมทิ้งไปก่อนกรรมอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอาสนกรรมกรรมที่ทําแรงๆตอนใกล้จะตายอย่างบางคนเนี่ยทุกวันไปเชื่อกเกไก่ เราหลอกชีวิตเลยเชื้อไข่ทุกวันตอนเกิดเจ็บหนักไกล้จะตายวันนั้นไม่ได้ช่วอกข่เสดเป็นพระเดินมาบินธรรมะจิตใจเรื่อมใสแล้วตายก็ยนะไปสุขตินี่เรียกว่าอากรรมกรรมที่หนักๆมั น, นใกล้จะตายตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอานาจกรรมเลยตัดทิ้งไปก่อนเรามันดูอาจินิกรรมว่าท่านจิตใจของเราเนี้เสพอารมณ์อะไรบ่อยๆนะนั้นเราคอยพิธีการง่ายๆแนวคอยปักสังเกตไป ถ้าเผลอแล้วนะก็ไปติ๊กไว้นหนึ่งคะแนนในช่องเดลฉานดีช่องไม้เลยถ้าเกิดโลคความโรคขึ้นมาไปติ๊กช่องเปลืกไว้ติ๊กไปเรื่อยๆติ๊กไปสักร้อยแ้มเลยจะตอบได้แล้วว่าจริงๆแล้วเราไปจองควบคุมอะไรไปแล้วยโอกาสตายนี่สูงมากเลยนะแล้วส่วนใหญ่จะไปเป็นสัตว์เพราะว่ามือบ่อยเป็นอะไรเนี่ย เป็นอะไรเมื่อกี้นี้สุดสัจใช่ไหมอ้าวโย่นำเปนหนึ่งคะแนนกล้ใครจะตามบ้าง <c oughs> นะใครจะเป็นแฟนโยต้องคิดให้ดีนะเ <c oughs> ขอจองพบยันไปแล้วจะตามพบไปไหมเนะียไม่ใครสังเกตเลยจิดใจเบิกบานไม่ธรรมะไปติไหมละ้ะ <c oughs> เป็นช่องเดวดาถ้าเมื่อเมื่อเปลือเผลอกก็ช่องตัดนะ ฟังธรรมะแล้วเบื่ออึดอัดลำคันมันปิดติ๊กเลยช่องนกรกเโสดาเกิดเพราะงั้นเราถ่ายได้ถ่ายตัวเองได้ค่อนข้างแน่นนะแล้วเราทําอาจีนตกรรมทำอะไรที่เราทําบ่อยๆจิตใจเราคุ้นเคยกับพบปุ่มไหนเราก็ไปสู่พบปุ่มนั้นโดยมากนี่แหละอะไรเมื่อกี้นี้เดี๋ยวแนมะ่เอาโยอมีเคลื่อนแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าส่วนใหญ่เป็นสัต เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเรื่องเล็ ก, เ ล, กเล่นเล่นๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะถ้าเราตรวจสอบตัวเองเราจะรู้ว่ามากกลัวมากเราร่อแหลนไม่ปลอดภัยหรอกทางที่ดีต้องเล่นเกมนี้ทุกวันนะเล่นบ่อยๆวันละหลายๆชั่วโมงิงดีเล่ น, นติ๊กตัวเองไปเรื่อยรับทุกครั้งที่ติ๊กตัวเองได้นะแสดงว่าขนาดนั้นนะสา ม, มารถจะลึกรู้ได้แล้วเราจะได้คะแนนในช่องพิเศษช่องหนึ่งคือช่องโลกุตลนะละสมมติว่าติ๊กติ๊กต๊ไป มีแต่อบายทั้งนั้นเลยนะมีเปรดที่สิบมีอสุรกายสิบอนะไรเงี้ยมีเดรัจฉานหกสตนะิติ๊กตกไปแต่ทั้งหมดรวมแล้วร้อยคะแนนเนอยู่ในช่องรวกุศลละรอยคะแนนแล้วนะนึกออกไหยมันมันออกมาเองนะลองติ๊กไปเรื่อยๆถึงว่ามันอยู่ช่องไหนเยอะอโยช่องไหนช่องไหนไหรือนะ <laughs> บอกให้เพื่อนเพนชิ่นใจสิไเจ้าที่ไหนไว้ เหมือนดิไม่รักเดียวใจเดียวนี่แหละจริงๆอันนี้แหละก็คือการดูจิตแมวการที่คอยเข้ารู้ไปเรื่อยๆนี่น่าจะเป็การดูจิตแหละไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยเห็นมไหมง่ายๆนายโยไปไหนอีกแล้วน้ำไปอีกหนึ่งคะแนนหรือธรรันตานําไปแล้วนี่แหละตามไหมมันเป็นยังไงรอบนี้ฟุ่งมาก อ๋อได้ตต่แทมเนี่ยไปจิอดูนะาจะกลัวเกมนี้เหมาะกับการเล่นตอนหน้าร้อนนะก็เล่นแล้วหนาวอ้าวหนาวจริงๆไม่ได้แกล้งว่า้องติ๊กกับสิอ้าวสองคนคนนี้ล่ะไปที่ไหนคนเนีย้ยใจลอยไหมเออ นี่แหละหักไอหักเล่นหมอดูเนี่ยเดี๋ยวก็ภาวนาเป็นเพราะนี้แหละคือการภาวนาการภาวนาเป็นยังไงมีสติพอรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆจะทำอะไรให้เยอะกว่า น, นั้นพี่แม่มนำไปเอ้ยอะไรๆตามมาอีกหนึ่งแต้ม <c oughs> <c oughs> เริ่มตามนะทางนี้หลบใหญ่ <c oughs> รู้สึกวาดเสียวไหมเว <c oughs> ลาถูกมองเนี่ยแ <c oughs> ม็นไใจมันสยองไปยองแม่มันกลัวรู้สึกไหม กลัวเป็นอะไรรู้ไหมกลัวกลัวเป็นโภสัอย่างหนึง่งโภสะอ่อนๆ อ, อ, อย่างเงี้ยไปจองพบ อ, อสุรศายไว้หนึ่งคะแนอสุระไม่ค่อยกล้าอสุระกลัวๆไงแมวแมวจองที่ไหนไหมไม่ใช่จองความเป็นแนวไว้ล้วดูออกไหมนี่หันเล่นหนึ่งนี่นะเล่นบิด่อยนี่แหละภาวนา ง, ง่ายเลย ฮั <c oughs> ลโหลทะเลาดอนไปอีกหนึ่ง <t iny> ตั้งใจแล้วรู้ไหมร้ไม อ, อืมอ อ, อือคนตั้งใจแล้วตอนนี้อืออืมก็ไม่รู้รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วสงสัยว่าทาไมมันไม่รู้รู้ว่าสงสัย มันง่ายง่ายถูกมองแล้วเริ่มอึดอัดรู้ไหมหรือ ไ, ไม่ว่าอึดอัด <c oughs> ใจมันแน่นขึ้นมารู้ไหมที <c oughs> ่โยไปเที่ยวหาเนี่ยมันไม่ใช่ไปหาจิตนะเที่ยวพยายามไปดูดูจะดูอะไรดีเนาะ <c oughs> หาอะไรดูไม่ได้สักอย่าง น, นันไม่ใช่ดูจิตนั่นเอาจิตไปเที่ยวดูอยู่เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าตอนนี้กํำลังเที่ยวหายอยู่อันนี้ก็เป็นภูมิอีกอันหนึ่งนะเที่ยวหาว่าจะเอาอะไรดีมันดูเนี่นเรียกว่าสัมภเวสี <c oughs> หาที่เกิดอยู่พอไปเจออารมณ์นี้ข้ามเกาะ ป, ปุ๊บโอ้โหอารมณ์นี้ดีเป็นอารมณ์สุขสีหงไปหาไ ป, าไปเกิดไปนึกถึงว่าแมวจะมาทวงเงิน คังอ่นอัด น, นะเก็ดผู้อันติในใจหาเรารู้ไหมนะได้คะแนนสัมภเวสีอีกหนึ่งคะแนนหน้าที่เราไม่ใช่ไปหาอะไรมาดูนะหน้าที่เรารู้ทันใจของตัวเองใจของเรามีพฤติกรรมอะไรตอนนี้มีพฤติกรรมไปเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีแอลพีสังเกตไม่เหม็นแค่ในใจเรามีจอคอมพิวเตอร์อยู่จอมีมอนิเตอร์อยู่ตัวเราไปยดูอยู่ในจอนะเนี่ยๆด้ เวลาปฏิบัติแล้วคอยดูหาอะไรมาดูดีเนาะมันนี้ไม่มีอะไรโผล่มาให้ดูอะไรเงี้ยก็จริงกําลังดูจอเรื่ออยู่กําลังหลงไปดูนะที่รู้ให้ทันว่าหลงอ่านำไปได้คะแนนหนึ่งแล้วนะที่นั่งติดก๊งแมวเนี่ยรู้ไหมเบื่อไปนะอไเนี่ยยังเม่อกี้ใจลอยไปเมือ่อเนีะเล่นเปิดไปเหมือนกัน เราเราคิดแล้วเราไม่รู้ว่าเราคิดแต่งเกณฑ์ในขนาดที่เราคิดเนี่เหมือนเราหายไปจากโลกเลยเหลือ <h ums> แต่ความคิดกายเวทานาจิตธรรมหายไปหมดแล้วนะ ก, ก็คือหลงไปละได้หนึ่งคะแนนเทราะนั้นเป็นอุทภจักรเรียอุทัภจักรจิดฟุ้งไปเป็นโมหชะชนิดหนึ่งใช่ใช่ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นอย่างแมวเริ่มเดินเนี่ยรู้เท้ากระทบพื้นไปใช้ได้ เพราะว่าอะไรที่สุกไปใช้ได้รู้ว่าจำนำทำสมาะอยู่นะแต่เราจะไปหลงว่าตรงนั้นมีปรัสนาเดี๋ยวเราก็แท็กอยู่ตรงนั้นถ้าเรารู้ว่าแค่เรื่องสมถาะานี้ใช้ได้แล้วนะแมวก็เดินไปเดินไปเดินไปสักพักหนึ่งสมมติจิตใจมันจะเริ่มแอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าหนีไปคิดเรื่องอื่นการที่รู้ทันว่าหนีไปนี่ก็เริ่มเริ่มปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการปฏิบัติคือการตรึงใจตัวเองให้นิ่งๆอยู่กัแบบเท้าที่กระทบพื้น เป็นสลับกันจริงนะนะไม่มีหรองเดินวิปัสนาล้วนไม่มีแต่สมถฐานล้วนมีนะสมรฐานล้วนก็นั่งเพ่งสามวันสามคืนนี่อยู่กะที่อยนั้นได้แต่วิปัสนาจริงจริแล้วจิตจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานะมนะเหมือนกันเหมือนกันะอ่เหมือนกันเหมือนกันนะยืนหรือนั่งนอนทําแบบเดียวกัน S 1> <S 1> เราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้างเนี่ยถ้ารู้ว่าอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดความถูกต้องขึ้นเองสิ่งที่ถูกต้องทําขึ้นมาไม่ได้นะเหมืนอนเนี่ยความว่างความว่างข้างหน้าแต่มาเนีสร้างขึ้นมาไม่ได้แต่ทําให้ไม่ว่างได้เอาของมาใส่ทํ้าไปไม่ว่างจิตนี่ก็เหมือนกันจิตรู้ว่าที่ถูกต้องเนี่ยนะอะไรมันรู้แล้วมันปล่อยวางไปด้วไม่ใช่รู้แล้วไปแบกแบกอะไรไปเอยอะแยะมีเล่มขาวนี้ไหมเล่ม น, นี้ เดี๋ยวแอบนะสองอ่านข้อ 6.2 นะ 6.2 จะพูดเรื่องจิตที่ผิดผิดผิดน่ะ้มันผิตที่ผิดผิดมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยเผลอเผลอเราเผลอรู้จักเผลอไหมเมอมอรู้จักไหไใจลอยนะใจลอยฝันกลางวันรู้จักไหมเราใช้เวลาวันหนึ่งวันหนึ่งกับการเผลอเยอะแยะนั่นคือคําว่าขาดสตินั่นเองเผลอเผอใจลอย เพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอเสือปัใจลอยทีร่รู้ทนันว่าใจลอยแล้วขณะที่รู้ทันนั้นเกิดสติแล้วะรู้ทันสภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงก็เป็นสติขึ้นมาไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าเผลอแล้วจะต้องทํายังไงเพื่อให้เกิดสติไม่ใช่นะการที่เรารู้ว่าเปลอยนีย่รู้สภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงแล้วมีสติขึ้นมารู้แล้วรู้จักคิดไม่คิดมคิดกับเปลือต่างกันอยู่หน่อยหนึ่งคือเผลือเนี่ยมันคิดอะไรก็ไม่รู้ คิดเนี่ยนะตั้งอกตั้งใจคิดเรื่องเดียวเลยคิดอะไรรู้เรื่องหมดเลยแต่ขณะที่คิดเนี่ยเราลืมตัวเองอย่างขณะนี้ตั้งใจฟังธรรมะเราคิดตามใช่ไหมแล้วเราลืมตัวเองนึกออกไมกใช่ใช่จะอยู่ในโลกของความเห็นไหมไี่ยากในเริ่มเรียนได้สองตัวแล้วะมีอยู่เจ็ดตัว <c oughs> อีกตัวที่สามที่เราเป็ น, นเดียนเยอะคือเรื่องตั้งท่าปฏิบัติพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มดัดแปลงใจตัวเองเหมือนที่แมวเป็นทีเนี้พอจะดูออกไห พอจะปฏิบัติเริ่มทุบทำนิ่งๆทื่อๆก่อนจัดเวทีให้เรียบร้อยเอาแล้วเริ่มปฏิบัติเริ่มดูนี่หลงผิดวันๆเลยมันทำเป็นวันๆมันก็เหนื่อยอย่างนั้นะแล้วมันไม่บรรลุมรควุนอะไรหรอกเพราะมันกำลังหลงอยู่เนี่ตั้งท่าปฏิบัติตัวดีเลยโยมันตั้งท่ามันนอนตั้งต่อไปอีกขยันตั้งท่าเนาะอยากไหายไหมอยากหายหรอไม่ดูอยากไหม อืมอยังดีที่ดูได้บ้างตอนนี้จิต ด, ดีขึ้นนะไม่ใช่เร็วลงนะเริ่มเร็วแล้วไหมดูออกไหยเริ่มตั้งท่าแนละ้วั้ท่าปฏิบัติมาดูให้นี้ตั้งท่าเสร็จแล้วทําไงดีล่ะสมมติว่าปับปุ๊บปุบปตั้งท่าเสร็จแล้วก็เพ่งสิ่งที่ติดตัวต่อไปคือการเพ่งจับอะไรไว้อันหนึ่งแล้วรึงมันไม่ให้นิ่งๆเกาะมันไม่ไม่อยากจิดอยากนึกอะไรเพ่งไว้อย่างนี้น บางคนเพ่งมากๆไปเหนื่อยน้อมจิตเขาหาความซึมนั่งแล้วก็เคลิ้มเคลื่เครื่องหลับเครื่องตื่นเห็นโน่นเห็น น, น, น, นี่ว่าดีนั่นก็ขาดสติเป็นไงตอนนี้ใจลอยรู้ไหมใช่เราลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราลืมปัจจุบันหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินี้นี้เดียวแหละอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนี้นแค่นั้นการปฏิบัติคือแค่นั้นเองไม่มากกว่านั้นนะ สงสัยรู้ไหมอะไรน ะ, นะพยายามร่ครวนพยายามคิดพยายามจะสังเกตนะเบื้องหลังการถ่ายทำาชื่อมันสงสัยมันเอาเงินดิวนี่หันรูไอ้ันนี่อะไรคือการปฏิ บ, บัตินะนีไปคิดแล้วรูนะ้ไหมอืมแวบหนึ่งก็เกิดแล้ว ไปสู่ควบคุมไปใส่เลยช่องไหนนะไปคิดธรรม ะ, ะคิดดีๆไปสูขติรู้สึกตัวนะพยายามรู้สึกตัวเราไม่ได้ไปดูจิตให้การนั่งเพ่งนั่งจ้องแรงๆถ้าเรานั่งจ้องอยู่เรารู้ว่ากำลังจ้องอยู่นี่คือการปฏิบัติละ ไม่ใช่ต้องตองให้เสร็จก่อนแล้วไปหาอะไรมาดูอันหนึ่งเราเรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่มันคือการรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจของเราเองเท่านั้นเองรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจของเราเองอย่างตอนนี้แมวก็หลงไปแล้วตามนะแถมมี่ตา ม, นะ ม, ตามระดอนมาแนละ้ว <c oughs> ได้หนึ่งคะแนนแล้ว <c oughs> นี่แมวหัดสังเกตไปเรือยอย่างเนี้ยนะไม่เคร่งเครียดหัดดูหัดไปเรื่องีไคิดละได้ไหะ เ<ไ>หน็นไหมเนี่ยหัดดูอย่างเนี้ยสังเกตไหมตอนที่หลงไปเนี่ยเหมือนเราหายไปจากโลกแลตอนนี้รู้สึกตัวสังเกตไหมเนี่ยความรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสังเกตไหมว่าใจเบิกบานเบิกบานเราะว่าใจที่ได้ไปหลงอะไรตอนนี้หลงแล้วนะเป็นผู้คิดเห็ น, น, น, น, ในใไหมหัดรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆทีลักขณะทีลักขณะเห็ไหใจหลงคิดอีกแล้วตอนเนี้ใช่ไหมขณะที่เราหลงคิดเนี่ยนะ จิตคลุ้งซ่านจิตมีโมหะเป็นอกุศลกิจขณะที่รู้ทันว่าเผลอไคิดแล้วขณะนั้นเกิดกุศลจิตเขามีสติรู้ทันสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเกิดกุศลแต่กุศลนั้นตั้งอยู่ในแวบเดียวเราจะเริ่มหลงต่ออีกแล้วเป็นเกินไม่ขนาดนี้บออีกแล้วมันจะรู้สึ ก, กตัวขึ้นแต่แวบเดียวเขาจะไปแวบหนึ่งเราก็ไปแวบหนึ่งเราจะไปห้าไม่ได้หน้านที่ของเราแวบบ่อยๆมีแค่นั้นเองแวบบ่อยๆไม่ใช่แวบถึงเด่นเลย นี้ใช้ไม่ได้นอย่าให้แว๊บเดียวถึงเย็นนะแวบ๊บทีหนึ่งห้านาทีสิบนาทียังพอตนได้ที่จริงนะก็คือพวกเราเนี่ยอยากยาเริญสติปัฏฐานทั้งที่เราไม่มีสติเรายังไม่รู้เลยว่าสติหรือความรู้สึกความระลึกรู้เท่าทานัทานสภาวธรรมเป็นยังไงสำเพ็ชัญญาความรู้ตัวเป็นยังไงเราไม่รู้จักใจเรายังหลงอยู่แล้วเราก็ไปเริ่มดูกายเวทนาปติธรรม มันกลายเป็นการไปเพ่งการเวทนาจิตธรรมหรือทํามมติฐานนึกว่าทำนี้ศาสนายอยู่่ง่ายๆเลยอย่างพอแมวคิดถึงการปฏิบัติแมวเริ่มทำํำใจให้นิ่งใช่ไหมพอนิ่งๆแล้วแมวก็ไปดูกายเวทนาเนี่ยมันเป็นหลงจ้องจริงที่ทําจริงๆเรากลายเป็นสมมติฐานแต่ถ้าเมื่อไหร่ เรารู้ตัวเป็นเราไม่ได้หลงต้องหรอกเรารู้ทันตัวเองแล้วธรรมะกายเวทนาจิตธรรมมันไหนปรากฏขึ้นมานี่จิ ต, ตก็แต่ตักแต่รู้ตักแต่เห็นไปอันนั้นถึงเรียกว่าการปฏิบัติเจริญสติประฐานจริงๆไม่ใช่เผลอๆอยู่แล้วไปนั่งต้องนะจ้องลมหายใจเข้าต้องลมหายใจออกจ้องรูปยืนเดินนั่งนอนอจ้ อ, จองเพ่งๆไว้การนึกว่าเจริญสติอยู่ไม่ใช่มันเป็นการเพ่งเพ้งรูป เวลาไปดูจิตก็ไปเพ่งนามไปเพ่งจิตใช้ไม่ได้เหมือนกันเป็นสมถะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราสอนจะเจริญสติปัฏฐานนะเร า, าต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าเครื่องมือในการเจริญสติปัฏฐานนั้นมีอะไรมันหน้าตาเป็นยังไงเรามีหรื อ, อยังเครื่องมือตัวที่หนึ่งคือสติสตินี่คือคุณสมบัติคุณภาพของจิตนะที่สามารถะระลึกรู้สภาพธรรมทั้งหลายที่กําลังปรากฏได้แค่ะระลึกรู้ไม่ใช่เพ่งนะ อีกตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธิใจที่ตั้งมัน่นสังเกตไหมใจเราไม่ค่อยตั้งมั่นใจเราหนีไปเรื่อยๆพอเรามองเห็นใจกนหนีไปทางตาเราคิดใจก็หนีไปทางใจใจหนีไปเรื่อยเดี๋ยวสลับไปทางโน้นสลับไปทางนี้ไล้วขาดสัมมาสม า, สมาธิถ้าเมื่อไร่ขาดสัมมาสมาธิเมื่อนั้นจะต้องขาดปัญญาแน่นอนเพราะในอภิธรรมเขสอนมิตรัสในบอกว่าปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ไม่เกิด ไม่ตราบใจที่ใจไม่มีความตั้งมั่นจริงเยปัญญาไม่มีจริงหรอกเพราะมันคาชั่งแฉกออกไปแล้วหลงออไปเรียบร้อยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติแล้วจะไปเอาปัญญาที่ไหนช่วยตัวเองไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อเปย์ยามบอกพวกเรามากๆนะรู้สึกตัวไว้นะรู้สึกตัวไว้นะทันทีเราเรารู้สึกตัวเนี่ยเป็นยังไงหมายถึงว่าถ้าใจหลงเหลือไปที่ไหนรู้ให้ทันมันรู้ให้ทันมันนะึงว่าเหลือไปคิดรู้ทันนี่มีสตินะ นะมันก็จะหลุดออกมาจากโลกของความคิดมันจะมาตั้งมั่นรู้สึกตัวนีม่มีสัมมาสมาธิแล้วตั้งมั่นคราวนี้ประจิตมันตั้งมั่นแลอะไรปรามกฏขึ้นทางตะวันทั้งหกในะตาหูจมูกนิจใจกระทบอารมณนะ์เลยมันจะตักแต่ว่ารู้ตักแต่ว่าเห็นนะแล้วก็จะเห็นสภาพธรรมทั้งหลายเกิดขับไปตามที่พขเป็นไม่ใช่เราไปแทรกแต่อย่างตอนแยกใจของแนวหนีไปคิดรึเปลมานี่ก็อยู่ในโลกของความคิดนะตรงนี้ขาดขัดสัมมาสติ ขาสัมมาสมาธิขาดมาธิผนะิแต่มีสติอย่างลภโลกคือสติที่ไตรึงเกาะเกาะความคิดนั้นคิดอะไรก็รู้เรื่องหมดเลยแต่ลืมตัวเองนั่นเป็นสติเหมือนกันแต่สติธรรมดาไม่ใช่ตัวสัมมาสติมีสัมมาสมาธิไม่ไม่มีแต่มีสมาธิธรรมดาอย่างนี้ชาดสมาธิผิดเกาะแนบอยู่ในเรื่องเดียวที่คิดนั้นไม่วอกแวกไปที่อื่นก็มีสมาธิแต่สมาธิธรรมดา เพราะจิตไหลไปนะถ้ารู้ว่าจิตไหลนสติรู้ทันว่าจิตไหลไปในความคิดก็นั่นคือสัมมาสติจิตรถไม่ไหลไปนั่นคือสัมมาสมาธิก็จะเห็นเลยว่าความคิดเกิดและระดับความรุ้สร้างเกิดและระดับเนี่ตัวปัญญาเพราะฉะนั้นที่พยายามบอกพวกเราว่าให้รู้สึกตัวนะไม่ใช่ไปนั่งทําอะไรต่ออะไรคือต่อไปต้องไปทําล้วแมวหมายถึงว่าเมื่อมีสติสมัชฌัญญาถูกต้องแล้วต้องไปเจริญสตนะิเหมือนเรามีทันข้าวแล้วเราไปทํานา แต่ถ้าเรายังไม่มีผันข้าวคือเรายังไม่มีสัมมาสติเลยเราก็้าไปเจริญสติปัฏฐานแล้วเหมือนอยู่ๆก็ไปเช่านาเข้ามาไม่มีเมล็ดข้าวอยากทานาเอากรวดไปหวานแทนเพราะฉะนั้นจะต้องมีสติให้เป็นก่อนถึงจะเจริ่มสติปัฏฐานได้วิธีเจริญสติทํายังไง